วิธีแก้กรรมวิธีแก้กรรมก็คือยอมรับสภาพความจริงว่าเราเกิดมาเพราะกฎของกรรมกรรมพาเรามาเกิดแล้วกฎของกรรมนั่นแหละมันติดตามให้ผลเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้อย่างนี้ยอมรับสภาพความจริงแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำแต่กรรมดีเรื่อยไป มีเท่านั้นทางปฏิบัติหลวงพ่อเกิดมาเป็นเด็กกําพาร์อนาถาพ่อแม่ตายตั้งแต่สี่ขวบจิตมันยอมรับว่าเพราะบาปกรรมที่เราเคยทำมาแล้วจึงพลัดพ่อพลัดแม่พอรู้เดียงสาขึ้นมาตั้งนาตั้งตาทำแต่กรรมดีจนกลายเป็นบุคคลสำคัญในสังคมของศาสนาคนหนึ่งขึ้นมาเพราะเราตั้งใจทาแต่ความดี ปลูกผักต้องฆ่ า, มาแมลงวิจัยงานต้องฆ่าสัตว์บาปหรือไม่นักพัฒนามีข้อสงสัยว่าไปแนะนําเกษตรกรให้ปลูกพืชปลูกผักซึ่งมักจะมีการฆ่ า, มาแมลงด้วยเสมอเขาจะต้องมีส่วนร่วมในผลกรรมนั้นด้วยหรือไม่หลวงพ่อเมตตาตอบว่าเราสอนให้เขารู้จักธรรม แต่เราไม่ได้สอนให้เขาฆ่าถ้าเกี่ยวกับการใช้ยาอะไรต่างๆนี่เราเพียงแต่แนะนำว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ป้องกันอันตรายที่เกิดจากวัชพืชที่พวกคุณทําขึ้นเพียงแค่นั้นเหมือนเหมือนกับพระเป็นโรคพยาธิในลใําไส้ถ้าพระบอกว่าไปซื้อยามากินฆ่าพยาธิในลใําไส้พระต้องอาบัติปาจิตตีเพราะฆ่าสัตว์แต่ถ้าคิดว่า หายามาฉันเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บพระไม่เป็นอาบัตนี่เราพิจารณาเอาอย่างนี้เจตนาหังพิกเวกัมมังวัฏามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมผู้ที่ค่าสัตว์ตัดชีวิตหนึ่งรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสอง ความพยายามที่จะฆ่า 3. การฆ่า 4. สัตว์ตายด้วยการฆ่าโดยเจตนาจึงจะสำเร็จเป็นปานาติบาตพวกวิจัยอะไรเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเอากระต่ายบ้างหนูบ้างกบบ้างเอามาผ่ามาวิจัยกันเข้ามาถามว่าบาปไหมบาปเพราะเราฆ่าสัตว์มันก็บาป แต่ถ้ากลัวบาปเวลาทำไปก็ทำเฉพาะสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในหน้าที่นอกเหนือไปกว่านั้นเราอย่าไปทำสัตว์ที่เราฆ่าเพื่อวิจัยหาข้อมูลต่างๆถ้ากลัวบาปก็สวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้มัน